ความพ้นทุกคือการปัดใจออกจากทุกสิ่งละละปล่อยวางจากทุกสิ่งเรื่องต้องเกิดจากใจไปเขียนบทสุดท้ายกับพี่ใจคือการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางความสุขสบายความสุขใจสบายใจก็ต้องปล่อยวางปล่อยวางจากภายนอกมันจะถึงไปวางภายในปล่อยวางเรื่อยๆจนปล่อยวางจะถึงที่สุดหลวงปู่บาอาจารย์ถามไหความพ้ทุกข์อยู่ตรงไหนก็ปฏิบัติเปนบัตรงไหนมันต้องรู้ซะก่อนว่าอะไรคือทําอะไรคือความทุกข์ ทำคือรู้จิตเห็นจิตซื่อๆทุกขณะปัจจุบันรู้กายรู้จิตขณะปัจจุบันคือทําเรียนหนังสือเขียนไว้พอตอนสามว่อาอ้าวแล้วทำมาปฏิบัติทำทําคืออะไรทำคือธรรมาชาติเขาบอกมันทำไมไม่เหมือนในหนังสือเลยคือรู้ละปล่อยวางจิตทุกขณะปัจจุบัน จิตปัจจุบันรู้ปัจจุบันละปัจจุบันรู้ปัจจุบันละปัจจุบันนั่นแ่ละคือธรรมแล้วมาทําไมเวลาเราไปตอบมันเอาความเข้าใจของตัวเองไปตอแตแบแสดงว่าการปฏิบัติมันไม่ไม่รู้ว่าเป้าหมายมคืออะไรทาง น, นึ่มันผ้ามัวมันเอาการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางที่จะพ้นทุกข์ไปพ้นกันเหมือนกับว่าเขาถามว่าจะไปไหนเนี่ยซ่อมรถ ว่าจะไปไหนจะไปหาทําทําคืออะไรซ่อมรถไปเรื่อยๆถามทําไปไหนรู้ไหมทำจะไปจะไปทางเหนือไปทางใต้ไปทั่ไหนไปที่สุดที่ไหนทำรู้ไหมทำอยู่เจียงไปทา้เหนือไปเชียงใหม่ทําคือเชียงใหม่ถามว่าทํำคืออะไรไม่ได้ตอบเจียงใหม่มันไปตอบเรื่องอะไรการขับรถตอบเรื่องการซ่อมรถตอบไปเรือยการแก้ปัญหารถเสียแก้ยังไงอะไรไม่ได้ตอบที่อะไรคือทำที่จะไปเป้าหมายทางที่ไปตรงนั้นคืออะไร มันไม่รู้ไม่ชัดเจนยังต้องต้องต้องชัดเจนทำมาแปดหมื่นสี่พันก็้วเราทำงานชี้ลงที่ขณะจิตส่งออกเห็นจิตขณะจิตส่งออกจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลนห่งจิตส่งออกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคคือจิตเห็นจิตขณะจิตส่งออกนอกส่งเข้าในเป็นมรรคผลนห่งจิตเห็นจิตขณะส่งออกเป็นนิโรธคือความพ้นจากทุกข์เราปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่างเนี้เวลาบอกกับครูบาอาจารย์คนอื่นเราก็บอกตรงเนี้ย ถ้าเราบาก็ปฏิบัติ่างเี้ทุกขณะปัจจุบนะันเน่ยูกตนขนิตส่งออกลูนนนออ ก, น, กนขนาดส่งกินนดออกนอกลูนขนะส่งกิดออกนอกแต่คร<ล>ูบาอาจารย์ถามเนี่ยแล้วตอบก็เวเาวจ ะ, ะ, จะออกไปตรงเป็นลูกติดใครอาจารย์สอนว่ายังไงสอนให้ตีตัวบางแล้วมึนหัวเลยเป็นลูกติดใครอาจารย์สอนว่ายไงสอนให้รู้สึกเจอการพูดคุยมันไม่ตรงอะไที่สอนเลย แล้วไอ้ตรงนี้ยพูดไม่รู้เกี่วยวนะไอ้จิตส่งออกนอกนะใช่ไหมแต่เวลาพอก็ท่านถามเราเราไม่มใครตอบตรงนี้เลยมารู้ตัวทางขณะจิตส่งออกแสดงว่าเวลาขณะปฏิบัติทุกขณะปฏิบัติมันไม่ได้ปฏิบัติตรงนี้เวลาถามปุ๊บมันจึงไม่ได้ตอบตรงนี้ใช่ไหมอริยมรต์อ่ะมันชื่อก็บอกแล้วอริยมรต์ทางของอริยะทางแห่งความพ้นทุกข์อริยมรต์อ ไอย า, าสัตตีหรือปฏิจจารสมุปบาทเนี่ยก็คืออะไรหลงอวิชชาหลงหลงตึงจิตออ ก, อกนอกหลงปรุงแต่งตุตตากระดาษิตออนอกหลงจิตเข้าในไม่ปฏิบัติอย่างอื่นหมด น, นะมันไม่ได้ตรงกับที่สอนเนี่ยเวลาก็ถามว่าอะไรคือหัวใจตอบไม่ได้นะอะไรคือหลักปฏิบัติอะไรคือปฏิบัติอย่างไรที่จะสู่ความพุิธิปานตอบไม่ได้มันแสดงว่าบางทีผู้สอนเนี่ยมันหลากหลายมากเกินไป จนไม่รู้ว่าอะไรคือหัวใจในการพ้นทุกข์แล้วก็ปฏิบัติก็ไม่ได้ตรงหัวใจจริงๆดงั้นเราต้องปฏิบัติตรงที่หลักเนี่ยให้มันมั่นคงมันเป็ น, ปนหนทางที่จะรู้ว่าผลที่ผ่านได้เอออย่างนี้ก็ออกอย่างนี้ต้องมาวิ่งเลยตบตบตบทุกตัว ต, ตบ ต, ตบ ต, ต บ, ตบไอ้เนเป็นการแก้ปัญหาขนามันง่วงมากๆ ม, มันก็ละเรื่องกันเอาการแก้ปัญหา ก, าการหัวใจของการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มาปนกันเลยเป็นสับสน ตรงนี้น่ามาพวกเราหน้าม า, ค, า, า, มาคิดพิจารณาเพราะมันปฏิบัติไม่ตรงทางที่จะรู้มาผลที่ผานมันจริงเรื่ น, นชา้าต่ออใหม่จะได้ตอบผู้อื่นได้ชักถอยใจกลาตงตอบได้ชัดฉานว่าปฏิบัติอะไรอยู่เราต้องต้องถามตัวเองวันนี้หลวงปู่ครูบาอาจารย์เราไปที่อื่ถามไปรู้สึกใาแล้วครูอาจารย์สอนว่าอย่างไงมันจะต้องโดนคำถามนี้ทุกคนรับรองเลยคุณไปที่อื่นพวกคำถามแรกก็จะถามคุณคุณเลือกสิ่งใรมาแล้วครูบาอาจารย์สอนว่าอะไร แล้วอะไรคือทางคุณอะไรอยู่ทางเดินน้ําคุณปฏิบัติเพื่อมาพ้นนิพพานคืออะไรตอบไม่ได้ครับทุกขณะปัจจุบันทบตัวอยู่ให้รู้สึกตัวทุบตัวอยู่ตอบอย่างนี้ล้วทุบตัวเพื่ออะไรก็ตอบไม่ได้บอกให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวอะไรทุบตัวแต่ไม่รู้แต่จิตข้างในกุ้งกล้าเน่ะแล้วครูบาอาจารย์ถ้ารู้ว่าราจิตะแต่ทุบตัวแต่ใจไม่อยู่กับตัวปฏิบัติอะไรไม่ตรงกันไอ้ที่ตอบไอ้ที่ทำไม่ตรงกันอ้นีวิ่งเห็ุตัวกระจายอยู่ในการเราวิ่งแล้วกระจายอยู่ไหนก็นไม่รู้ ทุกตัวและใจอยู่ไหนก็ไม่รู้อันนี้มันไม่รู้ต้องกาจิตส่งออกหัวใจมันอยู่ตรงจิตส่งออกแล้วก็เด็กวา่าอะไรทุกตัวไม่เห็นจิตส่งออกวิ่งไม่เห็นจิตทรงออกอันนี้ไม่ใช่ไอ้แกนยาทุกตัวกริายาวิ่งกริยาที่แหว่นมือไกวมือรู้สึกตัวอยู่นะั้นมันมันเพื่อให้ให้รู้ต้องารจิตส่งออกให้มีความรู้สึกตัวให้รู้ต้องารจิตสรงออกขลังจิตทรงออกจิตออกส่ ง, งทรงไหน น, านี่คือหัวใจที่จะพ้นทุกข์ก็อยู่ตรงนี้ไงคืออริยามรริยมอริ ย, าารยสัจสี่ จิตส่งออกเป็นสมุทยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลแห่งจิตส่งออกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตขณะส่งออกเป็นมรรคผลแห่งจิตเห็นจิตเป็นนิโรธคือความพ้นจากทุกข์ปฏิบัติมันลงที่อริยสี่หมดเลยถ้าหลุดจากอริยสี่ไม่ไม่พ้นทุกข์หรอกแล้วพันขณาดจิตส่งออกนอกส่งของนอกเขามายุบวุ่นวายแบบคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเชิเขาคิดเต้นเ่ายุบวุ่นวายกับกับไปหมดวงย้ายรักไข้หัวพันหัวพันกาะเกี่ยวหัวพันวุ่นวายหมดน้อยเลื่ตงตำใจ ไม่สบายใจทุกใจแทนเขาห่วงใยแลางกังวลแทนเขามันส่งออกนอกหมดอันนี้รู้ตัวทันขนาที่ส่งออกนอกหรือเปล่าส่งออกนอกเพราข้างในก็ยุ่งวุ่นวายกับอาการร้องกายอาการร้องจิตอยู่นั่นแหละยุ่งวุ่นวายกับการสุบจิตพยายามสุบจิตพยายามทำให้ทําให้ถึงให้ได้เป็นอะไรทําอะไรให้เป็นอะไรอยู่นั่นแหละมุ่งวุนวายไม่เลิกสงสัยดิ้นรน้นหาพยายามพยายามสงสัยฮะถูกผิดมาเหตุอาผลอันนี้มันคือส่งออกนอกแล้วก็รู้ตัวทันมันขณะที่มันส่งออกเนอก อย่างเงี้ยทุกอางี้ทุกขณะปัจจุบันมันก็จะพ้นจากทุกข์ส่วนการแก้ปัญหาขนาดจิตมันเรื่องของการแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าเป็นหัวใจอย่างความทุกข์อย่างประปนกันง่วงนอนลุกไปกินกาแฟอนการง่วงนอนลุกไปกินกาแฟมันไม่ใช่ทางแหงความทุกข์อันคือการแก้ปัญหาขนาดจิตดังนัไอ้ที่ไอ้ที่มันแก้ปัญหาคือว่ามันแก้ปัญหาขนาดจิตนั่นขับรถไปปลายทางแล้วรถมันเสียแก้ปัญหาซ่อมรถอย่างไรนั่นเองแต่ถ้าไม่ซ่อมมันไปไม่ได้ แต่การซ่อมรถไม่ใช่ทางแห่งนิพพานแต่ถ้าไม่ซ่อมมันไปนิผ่านไม่ได้มันก็ต้องซ่อมแต่ก็ก็ถามว่าปฏิบัติอะไรก็จะสุดมาอกนิพพานบอกซ่อมรถไอ้นี่มันปฏิบัติไม่ใช่ทางเหงแหีงนิพพานไม่รู้อะไรแห่งนิพพานนี่คือการแกปร้ปัญหาเราปล่อยปะล่าเลยตรงนี้ซะจนว่าเอาตรงเนี้ไปเป็นหลักเอาการรู้ต่อานจิตขณะปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่อง ผีกเล็กน้อยแต่เอาการแก้ปัญหาเนี่ยไปเป็นหลักกัแล้วการวิ่งการรู้สึกตัวด้วยการเคาะตัวทุกตัวแล้วเราก็ผีกผีกย่อยมาเป็นมาเป็นหลักมันไม่รู้เลยว่าอะไรคือหัวใจของความบรรทุกความสิ้นการปรุงแต่งเนัน่นคือหัวใจของความบรรทุกสิ้นการส่งจิตออกนอ ก, นอกสิ้นความปรุงแต่งเตสังวุปสโมทุโขผู้ใดระงับดับ ความหลงปรุงแต่งก็ได้พวกนั้นจะต้องจับทุกนี่คือหัวใจ แ, แท้เลยในการปฏิบัติตรงนี้ในหนังสือก็เขียนแล้วโค้ดไว้แล้วก็มามากไว้อะไรไหมแต่ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติตรงนี้อ่ะนไม่ได้ปฏิบัติการตรงนี้มันจำไม่เลยตรงเนี้เขาปฏิบัติจนสิ้นการปรุงแต่งแต่ถ้าไปปฏิบัติอย่างอื่นเนียมันไม่ได้เห็นจิตเลยว่าปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งมันส่งออกมากหรือไม่สออกนอกมันสิ้นปรุงแต่งหรือไม่สิ้นปรุงแต่งท่านไม่รู้เรื่องเลย มันต้องมาประเมินผลในการสอนแล้วก็ประเมินผลในการปฏิบัติท่านใหม่มันต้องประเมินมเพราะเหตุใด น, นี่เราฟังกันมาตั้งหลายปีพอประเมินผลออกมามันน่าตกใจมันต้องปฏิบัติให้มันตรงครับลงตรงมามาตรน้ำมันฝนที่ผ่านนั้นปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติให้ตกประเด็นเวลาพ่อครูผู้บาอาจารย์ถามปุ๊บตอบได้เลยปฏิบัติอย่างนี้ครับเห็นอย่างนี้ ตูปสัจธรจิตส่งออกทุกขณะปัจจุบันจะสิ้นการกลมแต่งที่กําแต่งรือสิ้นตรงจิตออกนอกสิ้นหลงทรงจิตออกนอกหลงตรงจิตเข้าในก็ตรงจิตออกนอกนั่นะนี่คือหัวใจของการปัจจบันไม่ว่าคุณจะพิจารณากายมาก่อนไม่ว่าคุณจะเป็นบัตรจิตเห็นจิตท้ายต้องมาสิ้นจิตกลมแต่งแม้แต่พิณิกายจนสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยจึงต้องมาเห็นจิตเห็นจิตอีกเพื่อสิ้นการกลมแต่งเตสามูปัสมโมสดโขเพื่อมาลงตรงนี้ ผู้ใดแล้วครับดับความหลงปุงแต่งก็ได้หลงหลงสังขารปุงแต่งก็ได้คุณนั้นจะถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งคือปณิพ า, านสิ้นสังขารเน่ะสิ้นสังขารสองทางคือสิ้นสังขารอันแรกก็คือว่าสิ้นหลงไปสังขารคือไปหลงปรุงแต่งสง่งจิตออกนอกครั้งหนึ่งเรียกว่าเตสังวัตตุกัตโมสุโขคือสังขารเองเตสังคือสังขารสิ้นสังขารคือสิ้นหลงไปส่งจิตออกนอกโดยจินเจิง สิ่งสำเร็จเป็นสอุปาทิเสสนิพานครั้งหนึ่งเหลือสุดท้ายก็คืออนุปาทิเสสานิพานก็คือขันห่านดับเพราะทั้งแรกก็คือดับแต่ความทุกข์ทางใจพอไม่ทรงจิตออกนอกความทุกข์ทางใจก็ดับเนี่ยคือหลงอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเนะี่ยพอสิ้นการหลงสังขารนะดับหมดเลยปนฏะิจจสมุปบาทกิเลสตัณหาอุปาทานภพชาตทุกตกเศร้าใจ ใ, ใจกับแกนใจดับเกลี้ยงเลยสิ้นหลงสังขาร เรียกว่าสัพปาที่เสสานิพานแต่มันยังสิ้นทุกทางใจแล้วแต่ยังมีความทุกทางกายอยู่ของกันหน้าอยู่แล้วก็มาดับขันห้าอีกครั้งใหมืนมันลงตามหมาวัวที่เพิ่งดับขันไปดับขันไปนิพานอีกทีก็เรียกว่าอนุปปาทิเสสนิพานคือสิ้นสังขารที่เป็นสังขารกายคนจึงเป็นนิพานสองครั้งสัพปาที่เสสนิพานครั้งหนึ่งแล้วก็อนุปปาทิเสสนิพานอครั้ง สิ้นอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารคือสิ้นหลงไปสังขารองแต่งหลงส่งจิตออกนอกเนี่ยเอาวิชาปัจจัยเกิดสังขารคือชิ้นหลงส่งจิตออกนอกรวมทั้งหลงส่งจิตเข้าในก็เรียกว่าสรงจิตออกนอกส่งจิตเข้าในมันถึงว่าไม่ให้บางคนก็แปลผิดประจใจผิดว่าไม่ให้ไปรู้อาการของจิตพยายามจะฝึกให้ไม่รู้อาการของจิตคือไม่ให้ไปวุ่นวายกับอาการของจิต อาการนั้นมันต้องรู้อยู่แล้วเพราะเป็นมีวิ ญ, ญญาณหลังยังไม่ตายมัต้องรู้อยู่แล้วเพราะมีภายในจิตเกิดอาการไหลขึ้นก็ต้องรู้อยู่แล้วมันจะห้ามไม่รู้ได้ยังไงเพียงแต่ว่าไม่เข้าไปยุบ่บวุ่นวายที่ตนฝักใสพอใจไม่พอใจอาการใดพยายามยึดถือรังอาการใดไว้ไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้มันติดหลงไปสังขารหลงไปปรุงแต่งหลงคิดปรุงแต่งเพือ เ, เอเพลินเจริญใจเมื่อเพลินไปเรื่อยๆหรือติดไปพยายามไป ไม่ให้มันสังขารไปปรับไปแต่งไปแก้ไขพยายามมันสังขารแล้วพยายามไปให้มันไม่สังขารมันสังขารแล้วไปพยายามซ้ําอีกให้มันไม่สังขารวนไปวนมาเ้ยเนี่ยมันก็จะกรลงสังขารใหม่ไปเรื่อยๆไอ้ที่เราพยายามไม่สังขารก็จะกรสังขารใหม่ไปเรื่อยออกไปสังการเองแล้วก็ไปงุนงิดไอ้ที่มันสังขารลงสังขารไปแล้วหลงปุงแต่งไปแล้วก็ไปปงแต่งฟ้องเขาอีกพยายามให้มันไม่ปรงแต่งเขาไม่ได้ว่าห้ามไม่ให้ทํา แต่รู้ต่อทันเพราะห้ามไม่ได้เพราะห้ามปุ an ๊บมันเป็นส mm ังขารซ้อนสังขารไปเรื่อยๆเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำแต่ให้เห็นมันขณะที่มันเกิดขึ้นคือมันเป็นสังขารซ้อนสังขารสังขารซ้อนสังขารเนี่ยเรารู้ต่าทันมันไปเรื่อยๆรู้ระดับันเรื่อยๆว่ามันเป็นสังขารซ้อนสังขารตัวใหม่ไปเรื่อยๆพรามันเกิดงี้เราก็เป็นหดกลิ่นงี้ตอเกิดอาการงี้เราก็ไปหดกลิ่นงี้เราพยายามให้มันไม่เป็นอย่างนี้อเกิดงี้เราพยายามให้มันไม่เป็นอย่างนี้ อยาให้มันไม่สังขารมันก็สังขารต้อไปเรื่อยสังขารต้อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เห็นมันเห็นมันรู้ทัวทันมันเห็นมันรู้ตัวทันมันเห็นมันรู้ตัวทันไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้ไปสังขารแต่ก็บอกว่าให้มีสติรู้ท่าทันสังขารอย่างที่บอกอาจารย์ชอบว่าเนี่ยหลงไปทางนี้แล้วหลงไปปรับสายหลงไปพยายามทำไรเป็นไแล้วอาจารย์ชอบว่าเลยเพราะไอ้ที่มัน่ะไม่เห็นเนี่ยไปสังขารแล้วเราก็ไม่เห็นถ้าเห็นแต่เราไม่มีอะไรเห็นก็ขอให้ต้องการให้เห็นแค่รู้ทัวทันเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้ม มี er 2020, แล้วแก่รู้แต่ตอมเกิดขึ้นแล้วอ้อมเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นถ้าเราไปซ้อนหนีไว้หุ่นีดไอ้ที่มันมีแล้วเป็นแล้วอ๋อเราก็รู้ต้องทานไปเพื่อมันไม่เห็นเราต้องการได้เห็นแค่นั้นแหละพอพยายามจะให้เห็นมันก็จะเป็นสังขารซ้อนที่อีกยิ่งพยายามอยากให้เห็นมันก็เป็นสังขารซ้อนที่อีกอยู่ที่เจอแค่นั้นแหละไม่ไปสังขารนอกสังขารในอย่าไปอยากอะไรทั้งหมดมันก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมบางทีอย่างนี้เลยเห็นไหมันบอกป้องตรงไหนเราปฏิบัติของความทุกข์วางความไม่เกิดอีก แต่เปฏิบัติมันมันปฏิบัติตรมตรงไหนเนี่ยมันต้องแม่นมากเลยแม่นว่าอะไรคือหลักอะไรคือการแก้ปัญหาปัญาจิตต้องโทษคนสอนไม่ดีสอนสอนมันพูดมากเกินไปหลากหลายเกินมาเลยไม่รู้ว่าอะไรหลักอะไรมันหลงหลักหลุดไปหมดอันเนี่ยต้องยอมรับผิดอันนี้ยอมรับผิดจริงไม่ได้ไม่ได้โทษผู้ เ, เคยความน้อยใจอะไรคือว่ามันพูดมากเกินไปจนกระทั่งว่าไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นหลัก อะไรมันเป็นหัวใจมันต้องเอาใหม่เอาใหม่ตั้งใจกันเอาใหม่ปฏิบัติทานต้ประเด็นดูตัวสั่งจิตส่งออกทุกขณะปัจจุบันยืนเดินนั่งนอนคลองน้ำคลองส้วมหนึ่งกินนกกระเบนตีรั ง, ง, งกาแล้วว่อยู่ในเกลือท่าไหนต้องดูตัวสั่ขณะจิตส่งออกทุกขณะปัจจุบันจนต้องส่งจิตเข้าในเอาวิชาปปเป็นปัจจัยเกิดสังขารในปฏิจจสมุปาณเนี่นะคือนี่แหละคือจิตส่งออกนี่เองเอาหลงส่งจิตออกนอกนอกคือนเนี่ยเอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารนี่ย แล้วก็จิตจากภูบาทหรือในเรืยองสัตว์สี่ในเหงาก็หลงส่งกิตจออ ก, อกนอกเป็นสมุทรไทยเป็นเหตุให้ใหเกิดทุกข์ผลแห่งจิตส่งออกเป็นทุกข์กิตเห็นกิตขณะส่งออกมันเป็นมัดเป็นวิธีเวอ์ให้ถึงซึ่งลุปมรรคผลนิ่ผ่านและผลแห่งจิตเห็นจิจ น, ออ น, นี่เจะบรรลุลมรรคผลที่ผ่านได้คือผลแห่งจิตเห็นจิตขณะส่งออกนอกเห็นขณะส่งออกนอกแล้วส่งเข้าไหนนั่นแหละจะทำให้รูปมรรคผลที่ผานได้อันนี้มันคือเรืยสัตวสี่ หรืปฏิจจสมุปาการเดียวกันอวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารในปฏิจจสมุปาก็คือว่าอาวิชาคือความไม่รู้สังขารก็คือสรงกิจออกนอกอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารคือหลงส่งกิจออกนอกแล้วยังไม่รู้ตัวอีกอันนี้มันทางแห่งความพ้นทุกพ้นทุกในตรตรีแล้วหรือว่าพ้นทุกในปฏิจจสมุปาเดียวกันก็คือรู้ตันขนาดสิบสองออกนอกทุกขณะปัจจุบัน เกี่ั้งสิ้นการหลงตรงคิดออกนอก เ, อเรียกว่าเตสามูปัสโมูสุโขสิ้นสังขาตรตุ้งแสงสิ้นการหลงตรงคิดออกนอกนี่นี่ยคือหัวใจไม่สายเกินไปยังทันเวลาแต่ถ้าตัานปฏิบัติอย่างอื่นไม่ตรงอย่างที่หัวใจที่สอนนี่แม้แต่การพิจาณการที่จุดกรรมลงรู้ตั้งจิตขณะที่สอนอ ก, นอกทุกขณะปัจจุบัน แม้แต่พยายามจะทําไรเป็นอะไรแม้แต่พิจารณาอยู่แล้วพยายามจะทํามาเป็นอะไรให้เป็นไหลหมกมุ่นไม่ใช่เห็นแต่เห็นตามความเป็นจริงแต่เป็นหมกมุ่นครับเพือจะให้พยายามทําไรเป็นอะไรพยายามให้ถึงเร็วๆให้ได้เร็วๆอันนี้ก็ตรงจิตออกนอกกันรู้แล้วแต่เด็กที่หลงตรงจิตออกนอกรู้แล้วก็ตุกนาจิตปัจจุบันอย่าประมาทอย่าปล่อยให้เหมือเพลเพลพุ่งพานไปอย่ามัวจะเป็นโรคไม่รู้ตัวตันขนาดจิตออกนอกทุกขณปัจจุบันก็จะไม่ทนทุกข์ได้ รู้เท่าทันจิตส่ตงออกทุกขณะจิตทุกวันอันนี้เนะี่มันจะคนจับทุกข์แล้วว่ายน้ําขึ้นฝั่งแนมะ่ทันเวลาก่อนที่จะตายปฏิบัติทางอย่างเนี้ยตามอริยสัจสี่เป๊ะในการดับในกระบวนการเกิดทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทดับอวิชชาเป็นปใจใัจจัยเกิดสังขารเทสนิทวันจะคนจับทุกข์แน่นอนสิ่งการทุงแตกสิ่นการหลงทุงแตงกแตทันเวลา ผ่านแล้วนี่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าโอกาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มมนก็นแต่นานจนลืมไปนะโอกาสจะเกิดมนุษย์แล้วก็เกิดในพุทธศาสนาก็ยากคนที่นับถือพุทธศาสนามีน้อยมันเกิดมาในตระกูลที่นับถือพุทธศาสนาก็ยากคือนับถือพุทธศาสนาที่ปฏิบัติด้วยนะยิ่งยากเข้าไปอีกได้ชื่อแต่นับถือพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเยอะ มันเกิดมาในกลุ่นที่นักศึกาอาจารย์มีโอกาสลองปฏิบัติรำเจอครูบาอาจารย์ที่สอนตามที่แน่ทำที่ความบุดพ้นจริงๆก็ยากอีกยากทั้งนั้นเลยอ่ะนั้นยอมให้พลาดไม่ได้เลยชีวิตนี้ถ้าพลาดแล้วก็จะพลาดเลยรู้มีความรู้กระจายถึงขนาดนนี่ยังปล่อยให้พลาดปล่อยให้เหม่อเพลิ น, นยังเป็นโรคโรค ก, กเกี่ยวัวฝันยุ บ, บุญไวเจอพวกเจคิดแนเขาหว ง, ง, ง, งยัยัะไก่บุกฟันผวฟันยังหมกมุญแต่ในเรื่องของกิเลสการมตหนาราสะโทสะโมหะ ความโลภความปวดความหลงอยากได้อยากเอาอยากเป็นจริงใดไม่ชอบก็ดิรนผักสายไม่พอใจมันยังหมกมุ่น อ, อย่างนี้อยู่โอกาสที่จะตายก่อนที่จะรู้มาพุทธิปานนี้ตายก่อนขึ้นฝั่งมีแน่นอนผมจะเตือนไม่เลยแล้วโอกาสที่ผมจะบจนมาเจอันใหม่อยากมากอุูบาอาจารย์ผู้สอนจนใจทุกคน ที่สอนทมที่ทำเพรความดุจ้นมาฝนนิพพานจะทำไมกลับมาเวียนบ่ายใจเกิดอีกแล้วจะดูในแต่ละองค์ที่เคยเป็นงานและทานจนจบมาหลวงปู่ครูบา จ, จารชาติสุดท้ายทั้งนั้นเนี่ยชาติสุดท้ายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายก็เหมือนกับหลวงปู่คูบาอาจารย์ครูกับลูกศิษย์ทั้งหลายลว่าพบกันในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่ได้พบกันอีกเลยพราะท่านยังโมวประมาดอยู่นั้นแทบจะไม่มีทางเลือกให้แก่ผเธทิที่จะเลือกเดินทางอื่น ชั่วโมงสุมากคัที่ผ่านในปัจจุบันทุขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งมาเก้าอ้ามน้ำมังดื่มกินไม่ว่าจะทําอะไรในทุกอณูวัได้ทุกขณะปัจจุบัน24ชั่วโมงโยกเว้นจะหลับไปต้องมีสติปัญญารู้เทันขณะจิตส่งออกนอกหรือขณะส่งจิ ต, ตออกนอกรวมทั้งหลงส่งจิตเข้าข้างในด้วยเขาไปพอใจไม่พอใจจริงใดไปนอกเขาไปปลอใจไม่พอใจจริงใดไปไหนต้องทุกขณะ จ, จิตปัจจุบัน ที่จะคนจับทุกข์ได้ที่จะดับเอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารได้คือรู้ต่อทานตุ ก, กนาจิตที่สองในสังขารในปฏิจจานุปัหรือเรียกว่าปฏิบัติในอริยสัจสอยู่ตลอดเวลาคือรู้าาต่ทอทานขณะจิตสองนอกนอกเรียกว่าอริยมรรคเป็นทางแนพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นทางในความเปนทุกข์ตอนยมวระมาตุณณเมีหลายคนเข้าม า, ม า, ม า, ม า, มาสู่อย่างน่าเสียดายในที่เขาจะปฏิบัติให้มัน มุ่งส่งสมรรถนิพพานปฏิบัติในเอรียมักอุตส่าห์านขณะผิดสงฆ์นอกทุกข์ขณะปัจจุบันความหัวใจเปสนใจอย่างอืงอ่นเป็นปฏิบัติอย่างอื่นที่ไม่ได้ทางแห่ ง, ง, งความเปนสุขยิ่งผมบวชไปแล้วมันจะมาแนะนําท่านจำจี่จำใจแบบนี้มันโอกาสมยากมีมาเหลืองมีพระวินยัยมีความเหมาะสมอุตส่าหานที่อยู่ต้องอยู่ผู้บาอาจารย์คือต้องถือนิสยัยจะออกไป ก, ก้อนเละก่อนเขาไม่ได้ นั้นท่านต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วพราท่านอย่างประมาทอยู่ไม่มีการช่วยท่านมันต้องช่วยตัวเองอัตติพัตโนนาโตตนของตนเป็นผู้พาตนในตนทุกข์ให้ได้ตนของตนเนี่ยจะพาตนในตนทุกข์ได้หรือตนของตนจะพาตนให้หลงไปตูทะเลลึกหลงออกไปหากิเลสตานาหลงนอกตอกนอกทางไปก็เพราะตนของตนเองพาตนในคนทุกข์ซะ ในพระจัตตินี่นปัจจุบันนี้ยังอ่อนลงประมาทใช้แล้วโอกาสเดิกลับมาเจอกันอีกไม่มีอย่ามัวประมาทผมดามที่พระเจ้าได้กลับไปในปฏิบัติธรรมว่าตันทั้งหลายสังขารมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาคือสิ้นไปเสื่อมไปตลอดเวลาอย่ามัวประมาทอยู่ เร่งทำความเพี่ยนให้ถึงพร้อมก็จะฝากไว้อันนี้เนะี่ยในความหวังดีปรารถนาดีกับพวกเธอทั้งหมดนี่นะี่ยอาจารย์ฝากไว้สม <c oughs> ก็ที่พวกเธอตั้งชื่อในดีๆนะเอาไปอาจารย์ฝากไว้นี่เนะี่ย